เมื่อคืนนี้ผมเดินกลับไปนี่ผมจะถามตัวเองว่าเราหวันไว้สักแค่ไหนไหมผมผมจะถามตัวเองนะแต่พอนึกถึงว่าเออมีผู้คุ้มครองเรานะเรามีพระพุพะทธพธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วออมีกําลังใจเยอะแล้วก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรเลยไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกจริงๆไม่ได้ไม่ได้แกล้งหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ยังนึกว่า ที่พักผมเนี่ยสว่างมากเกินไปด้วซัมไปครับผมไม่ชอบเพราต้องไปปิดบงังสว่างเกินไปอันที่จริงนี่อยากจะเจอธรรมชาติจริงๆคือมืดตุ๊ดตือเลยเนี่ยนะก็สับคาเลาลงผ ม, ผมก็ไปปิดบงังบางกลวนะแต่ว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มาเปิดให้ก็เกรงว่าเราทางขึ้นทางลงจะลําบากเขาก็ไปเปิดให้นะแต่มันอคืนนี้นอนอนอนนอ น, นอนสบายมากเลยไม่ไม่รู้สึกเลยเลย ก็บางคืนนะอาจจะออกมันนั่งข้างนอกจกําลังหาเก้าอี้อยู่เพราะห้องนั้นไม่มีเก้าอี้เลยเรามานั่งข้างนอกดูโคนต้นไม้ดูบางแต่ว่าหนาวอ่ะนะหนาวนะถ้าไม่ถ้าไม่หนาวนะผมผมออกแต่ก็ได้บรรยากาศที่วันหนึ่งผ่านไปก็ไม่ไม่นานอย่างที่ท่านบอกนะวันนี้ผ่านไปไม่ให้นานไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่เจริญพุทธานสิกครั้งที่แล้วนะ ได้พูดถึงข้อความในเทระคาถาถึงบทที่ท่านพระธรรมสังคหาหกาจารเนี่ยท่านกล่าวถึงพระอาหารหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธากาลเนี่ยคือผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยภาวิตตตานังที่ว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วก็มีหลายในนะในแรกก็คือผู้มีจิตอบรมแล้วในที่สองก็คือผู้มีตนอันอบรมแล้วเป็นสภาพ ส่วนในที่สมก็คือผู้มีอัตภาพอันเจริญแล้วคือเจริญด้วยอปปมาทะภาวนาอนาวัชชะภาวนาก็คืออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานั่นเองการอบรมกายศีลจิตปัญญาเนี่ยนะจะถึงความสําเร็จจริงๆก็ต่อเมื่อมีการตรัสรู้อริยสัจขณะที่ตรัสรู้อริยสัจขนาดนั้นเรียกว่าเป็นการอบรมอย่างแท้จริงก่อนหน้านั้นก็เป็นการอบรมแต่ว่า ยังไม่จบจะไปจบเมื่อแทงตลอดอริยสัจนั้นภาวนานั้นจะเป็นกิจภาวนากิจบริบูรณ์ขณะอริยมรรคแล้วอริยมรรคก็แบ่งเป็นสี่ระดับก็คือโสดาปติมรรคสกะทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคแล้วบรรดาอารหัตตมรรคเนี่ยนะก็มาแบ่งเป็นสามประเภทนะมรรคของอรหัตตมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อรหัตตมรรคของพระปัจเจกพุทธเจ้าอรหัตตมรรคของพระสาวกทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะมรรคอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสัพพัญยุตยานั่นะถ้าหากว่าอรหัตตมรรคอันนี้ไม่มีสัพพัญยุตยานจะไม่เกิดส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า อริยมรรคของท่านก็ตรัสรู้ได้เป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงคนอื่นได้ซึ่งต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสัพพัญยุตยานเนื่องจากพระองค์มีสัพพัญยุตยานนั่นเองจึงบัญญัติธรรมะได้จึงสอนได้จึงเอามาแสดงแต่งตั้งเปิดเผย ป, ประกาศทําให้เตือนได้ส่วนโพธิญาณอย่างที่สามก็คือสัม ภาาวกกโพธิยานภาษาวกก็ตรัสรู้อริยสัจทำการตรัสรู้อริยสัจของภาษาวกทั้งหลายก็เกิดจากการฟังทีนี้ในการตรัสรู้นั้นนะนะก็คือการประชุมของโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดประการนะเมื่อโพธิปัจขยธรรมประชุมกันขณะนั้นจึงเรียกว่ามีการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าการตรัสรู้ เรียกว่าสัจจกิริยากิจคือกิจในการทําให้แจ้งนิพพานมีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจึงมีการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยถือเอาพระนิพพานเป็นประมาณนเนี่ยถ้าเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่เรียกว่าตรัสรูเ้เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจึงเรียกว่าภาวนาเมื่อภาวนาโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าละสมุทัยและก็ชื่อว่ารอบรู้กองทุกอย่างแท้จริง เนะชื่อว่าได้ทำปริญญาในทุกอย่างแท้จริงนี่ก็มาแบ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อสัมมาเพื่อโพธินี่นะโพธิคือการตรัสรู้อริยสัตว์เนี่ยทั้งสามประเภทคือสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิสาวกโพธิมาดูพระมหาโพธิสัตว์ก่อนเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์ก็แบ่งเป็นสามประเภทใช่หมมหาโพธิสัตว์ ปัจเจกโพธิสัตว์หรือว่าสาว ก, กโพธิสัตว์ก็มาดูพระมหาโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาสัตว์นะนะก็ในเวลาที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบำเ พ, พ็ญโพธิสมภารเสร็จบริบูรณ์แล้วในภพสุดท้ายบำเพ็ญบุพภิกต์เสร็จสิ้นเสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลนั่นนะ อันนี้ก็คือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยละไวในฐานที่รู้กันเอาตอนที่จะประทับนั่งบนโพธิบัลังเลยพอประทับนั่งบนโพธิบัลังก็ทรงตั้งปฏิ ญ, ญาว่าเราจากไม่ทำลายบัลังนี้จนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นรู้ด้วยนะว่าที่จบต้องไม่มีการมาสะวะอยู่ในจิตอีกต่อไป ไม่มีภาวาสะวะไม่มีทิฏฐาสะวะไม่มีอวิชชาสะวะในจิตอีกต่อไปการ ม, มาสะวะก็คือความเพลิดเพลินในกามคุณเนี่ยนะพันก็ต้องสอบสวนกันดูว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยแย่แย่อะไเรียกว่ามณสิการกามมนิมิต ด, ดูกามมะอารมณ์ดูพอใจไหมเนี่ยนยหรือมณสิการพบทั้งปวงดูเนี่ยนยหรือว่ามีอะไรบ้างพิจารณาแล้ว ไม่เห็นเป็นอริยสัจเนี่ยนะไม่แทงตลอดอริยสัจยังโง่เขางมงายในส่วนใดยอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะท่านก็เอาเอาการละกิเลสเป็นประมาณนะนะเมื่อละกิเลสแล้วก็จึงจะเปลี่ยนอริยาบทถ้าไม่สละกิเลสหรือละกิเลสหรืออาสะวะไม่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนอริยาบทอันพระองค์ก็ประทับนั่งบนอัปป ร, ราชิตะบาลังคือบาลังที่พยามามพระจ ก, ก็มีอาจพะจญได้เนี่ยนะ กลาว่าเป็นบาลังที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ปราชัยยังไม่ทันถึงเวลาเย็นก็ทรงกำจัดมารและกำลังแห่งมารเสียได้นี่นะคือพลรมาณทั้งหลายเนี่ยนะก็กำจัดด้วยการร ะ, ะลึกถึงบารมีนั่นเองในพาหง8บทนะคนะาถาพาหง8บทนะ่ะพาหงษ์สหสมาพินิมิตเนี่ยก็คือพวกพยมานที่มีมือมากมีบริวารมากพยมา น, นั้นขี่ช้างนาลาคิริงมาพร้อมด้วยยก พลยกกองทัพมานะร์เนรด ม, มามากพระ อ, องค์ก็ระลึกถึงบารมีของพระ อ, องค์เนี่ยนะทำให้ชนะมารก็คือชนะด้วยการระลึกถึงทานนะบารมีเป็นต้นนั้นเองหลังจากที่พระ อ, องค์นั้นชัดกำจัดมารและเสนามารเรียบร้อยนะก็ไม่ได้ไปเค็นฆ่าอะไรก็าหรอกเขามาต่อสู้แล้วก็เข้าพ่ายแพ้ไปเองนะพระ อ, องค์ก็เจริญอาณาปานสติหลังจากเจริญอาณาปานสติก็จนถึงได้ฌานสี่ ออกจากฌานสีก็ระลึกชาติเนี่ยนะระลึกถึงขันธ์ที่พระองค์เคยอยู่อาศัยมาแล้วในการก่อนในโวโการะพบที่มีอาการไม่ใช่น้อยระลึกถึงขันธ์ตัวของตัวเองเนี่ยนะที่เคยอยู่ในพบต่างๆทั้งในเอกโวการะพจตุโวการะพบเนี่ยนะแต่ตอนนี้เน้นปัญจโวโการะพนเนี่ยนะก็ที่เคยอยู่ในปัญจโวการะพบต่างๆมาเนี่ยมีอาการไม่ใช่น้อยด้วยปุเพนิวาสานุสติยานในปริมยามคือยามต้น ก็คือตั้งแต่6โมงถึงสี่ทุ่มนนะทรงบรรลุจุตูปปาตจุตูปปาตยานและอนาคตังสยานด้วยการชำระทิพจักสุให้บริสุทธิ์ในมัชมยยามคือยามกลางนสนะี่ทุ่มถึงตีสองก็พิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายและก็อยางรู้ถึงอนาคตต่อไปด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะนะี่ รู้ความตายของสัตว์รู้ความเกิดของสัตว์และก็รู้กรรมที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดณนภะพภูมิต่างๆที่ต่างๆหลังจากนั้นพระองค์ก็ตั้งมั่นซึ่งวิปัสนาโดยมุก ค, คือปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะวิปัสนาของพระองค์ขึ้นต้นด้วยการพิจารณาชาราและมรณะพระองค์พิจารณาว่า สัตว์โลกนี้ถึงความลําบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติเนี่ยนะคือการพิจารณาทุกสัตว์ในทุกพบทุกภูมิในที่ทุกผนทุกแห่งในพบทั้งปวงเนี่ยสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ชาราและมรณะเนี่ยนะก็อยู่ด้วยชาราและมรณะถึงอย่างนั้นเนี่ยนะถึงจมอยู่กับชาราและมรณะอย่างนี้ก็ไม่รู้จักพระนิพพานอันเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข คือชราและมรณะถึงอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ว่าทางออกออกจากชราและมรณะเหล่านี้ไนดะ้ยังไงนนะี่เรียกว่าเพิ่มพูนป่าช้าไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่รู้ทางออกพระโลกนาถก็เลยรับขวานคือพยานเพื่อจะตัดเสียซึ่งชัดคือกิเลสดุดรับขวานที่หินสำหรับรับเพื่อจะตัดชัดใหญ่คือถางป่าใหญ่เะนั้น ทรงยังวิปัสนาให้ตั้งท้องก็คือมีการพิจารณ า, าพิจารณาชราและมรณะใช่ไหมก็สาวไปหาชาติชาติมาจากพบพบมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากนี่นะตันหาตันหามาจากเวทนาเวทนามาจากภาษาภาษก า, า, ก า, า, า, าก็มาจากสลายตนะสลายตนะก็มาจาก นามรูปนามรูปก็มาจากวิญญาณวิญญาณก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอาวิชชาแล้วก็พิจารณาว่าเออเนี่ยสมุทัยคือการเกิดแห่งกองทุกทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะวัตตทุกข์นี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ในทุกที่ทุกขนทุกแห่งในทุกพบทุกภูมิเนี่ยอันนะมีเหตุความเป็นไปแห่งวัตตะทั้งหลายอย่างนี้วกว่าพิจารณาทั้งโดยปฏิโลมอีกนีนะ เมื่ออะไรไม่มีหนอชราและมรณะจึงไม่มีก็เมื่อชาติไม่มีก็ไม่มีชราและมรณะใช่ไหถ้าเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีบถ้ากรรมไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนะกรรมจึงไม่มีเมื่อพบไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีอะกรรมหรือพบจึงไม่มีเมื่ออุตันหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีนั่นนะก็สาวอย่างเนี้ยจนรู้ แล้วก็สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้จนแทงตลอดอริยสัตว์เรียกว่าชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรชารามรณะนิโรทคามิณีปฏิปทานนะก็ตรัสรู้เป็นยาณวัตถุก็แทงตลอดอริยสัตว์ทีนี้อริยสัตว์ที่พระองค์แทงตลอดก็4ระดับนีนะก็คือระดับโสดาปติมัคแทงตลอดอริยสัจ ร, ระดับสกทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัค มันเมื่ออรหัตมรรมเกิดพระองค์ก็บรุสัพพัญยุตยานเพราะเหตุสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงความแก่กล้าอารหัตมรรมของคนอื่นเนี่ยนะไม่สามารถอรหัตธรรมของบางท่านให้ได้เป็นสุขวิปสัสสกอรหัตมรรมของบางท่านทําให้ได้วิชาสามบางท่านได้ปฏิปฏสัมพิทาสีบางท่านให้สําเร็จเป็นพระอัครสาวกบางท่านก็ให้สําเร็จเป็นปัจเจ ก, กโพธิ ส่วนของพระองค์นั้นเนื่องจากเหตุบุญที่นะคือบารมีทั้งหลายที่บำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทไว้จนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นอรหัตตมรรคของพระองค์จึงเป็นอุปนิสัยแก่สัพพัญยุตยานทีนี้ในระหว่างการเจริญวิปัสสนาของพระองค์เนี่ยนะพระองค์เข้าสมาบัติต่างๆในระหว่างในระหว่างนะคือ เข้าฌานออกจยากฌานเจริญวิปัสนาหวังอันเถอะยกนามรูปตามที่ทรงกำหนดแล้วก็ขึ้นสู่ตรยลักษณ์นั่ น, นก็คือนามรูปก็คือชรามรณะนั่นแหละขึ้นสู่ตรยลักษณ์พิจารณาสังขารในโวโการะพบมีอาการไม่ใช่น้อยด้วยสา ม, มารถแห่งการพิจารณาธรรมะตามลำดับบทยังสัมมาสนะวาระให้พิสดารโดยมุกแห่งธรรม36แสนโกดนนเน่ะ อะนสมมาสนาญาเนี่ยพิจารณาสามสิบหกแสนโกฏนอยะไม่ใช่พิจารณาในดาใดใดหนึ่งเนี่ยนะการพิจารณาอย่างกว้างขวางไม่มีส่วนเหลือนะไม่มีอะไรที่ไม่เอามาพิจารณาพิจารณาตัวตัว ต, า ร, า ร, าตรายักษ์กอ่ะคือพิจารณาอุปาทานขัน นนะพิจารณาอุปาทานขันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยนะโดยแง่มุมต่างๆในทุกแงมม่มุมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยพิจารณาทุกแง่มุมเลยนะเรียกว่าพอจำแนกแบ่งๆแล้วประมาณ36ม0 0กแสนโกดเนี่ยนะก็ตามแนวรูปสัตกาอรูปสัตกานั่นแหละนั่นแหละเมื่อวิปาาัสสนาญาณกล่าวคือมหาวชระญาณในสัมมสนญาณ น, นั้นแก่กล้าผ่องใสโดยเป็น เป็นไปโดยความเป็นวุฒานาคามินีวิปัสนาเนี่ยนะทรงสืบต่อสัมมาสนญาอ น, นั้นด้วยมัชก็คือเจริญสัมมาสนญาาพิจารณาอุทยพย า, ยานแล้วก็ปฏิบัติปฏิปทายานทัศ น, นวิสุทธิซึ่งมีชื่อว่าวุฒานาคามินีวิปัสนาเนี่ยนะก็สืบต่อจนบรรลุมัชได้นะ ทีนี้มรรคที่บรรลุก็ก็ต้องบรรลุตามลําดับมรรคอะนะไม่ใช่กระโดดขึ้นไปเป็นอรหัตมรรคเลยก็ตั้งกระโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเพราะฉะนั้นพออรหัตมรรคเกิดก็ยังกิเลสพันห้าร้อยให้สิ้นไปโดยลําดับเชื่อว่าย่อมตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในขณะแห่งมรรคอันเลิศคือในขณะอรหัตมรรคเนี่ยนะ จำเดิมแต่ขนาดแห่งผลอันเลิศคืออรหัตผลก็ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายนั่นแหละก็คือบรรลุพร้อมกับอรุณขึ้นนั่นแหละเพราะอารุณขึ้นก็บรรลุเลยก็แม้ทศพลยานและเวสารัชยานเป็นต้นก็ย่อมอยู่ในเงื้อมพระหัตของพระองค์ในเวลานั้นทศพลยานก็คือยามที่เป็นกาลังของพระพุทธเจ้าสิบประการ แล้วก็เวสารัชยานสี่ประการเนี่ยนะทำยานที่ทําให้พระองค์ถึงความก ล, วกล้ากล้าไม่ครั่นคร้ามเลยนะก็เช่นถ้าพระองค์ตรัสว่าเออที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั่นปฏิญาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะ่ะท่านยังไม่รู้ไม่มีใครกล้าโจทก์พระองค์ได้เพราะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้แล้วบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันตขีนาศเนี่ยนะเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วแต่ ไม่มีใครไปโจดพระองค์ว่าท่านยังมีกิเลสอยู่โจดแบบถูกต้องอะนะตามสหธรรมะไม่ใช่หาเรื่องอะนะแต่จะโจดตามตามธรรมอะหรือไม่มีใครไปคัดค้านพระองค์ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยที่บอกว่าเป็นอันตรายยึกกธรรมทำทอันตรายต่อมรรคผลเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าผู้ใดล่วงละเมิดก็อันตรายต่อมรรคผลจริงๆ ธรรมะที่พระองค์แสดงโดยเฉพาะนิยานิกนระทเนี่ยนะอริยมรรคเป็นต้นที่พระองคแสดงเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามอ่ะนําผู้นั้นออกจากทุกได้จริงเนี่ยนะไม่มีใครมักท่วงโดยโดยไม่มีเหตุผลได้เหมัอนกันไม่มีใครมาท่วงโดยธรรมรอ่ะนะแสดงว่าไม่มีใครมาเปิดอภิปรายแบบตามตาความเป็นจริงอะ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละทาให้พระองค์เนี่ยถึงความกล้าหาเมื่อพระองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือทศโพลัย ทศพลยานเวสารชยานหรืออาสาธารณายานทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะพวกยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นปฏิปทาแห่งสัมมาสัมโพธิยานโดยการตรัสรู้ก่อนส่วนโดยใจความแห่งสัมมาสัมโพธิปฏิปทานั้นได้แก่การเพิ่มพูนโพธิสมภารอันเป็นไปแล้วในระหว่างมหาอภินิหารจนถึงบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่นะ ถ้าถ้ากล่าวไปแล้วนะที่กว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมมากมายหลายประการอย่างนี้ก็เนื่องจากบำเพ็ญมหาพินิหารมหาพินิหารก็คือการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าพนามวา่าทีปังกรเนี่ยนะก็เริ่มบำเพ็ญบารมีตั้งแต่สมัยนั้นนะเป็นต้นมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับ อันนี้แหละเป็นเหตุให้คุณบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําที่ควรกล่าวถึงการเพิ่มพูนโพธิสมภารข้าพเจ้าได้กล่าวไว้สมบูรณ์โดยอาการทั้งปวงในอัตถกาถาจริยาปิดกคือองค์ที่เรียบเรียงอัตถกถาจริยาปิดกกับอัตถกถาเทรคถานิองค์เดียวกันเนี่ยนะพระเจ้นก็ไปดูที่นั่นเอากขาแล้วกันมางั้นเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงถือเอาโดยนัยะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอัตถกถาแห่งจริยาปิดกนั้นเทิด นะถ้าจะอยากจะรู้ว่าข้อปฏิบัติทําอย่างไรบ้างจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาดูฝ่ายพระปัเจกพุทธเจ้าบ้างท่านเหล่านั้นบําเ พ, าพ็ญอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระปัเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะมีปัจเจกโพที่สมผานอันสร้างสมมาแล้วโดยลําดับดํารงอยู่ในอัตภาพสุดท้ายคือชาติสุดท้ายเนี่ยในเวลาเช่นนั้นก็ถือเอาสังเวกขานิมิตนะวัด วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเครื่องหม้ให้เกิดความสังเวชเนี่ยนะอันปรากฏแล้วโดยความที่ยานเนี่ยถึงความแก่กล้าพอยานท่านแก่กล้าเนี่ยนะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เดียวนี่ก็ท่านก็สังเวชแล้วเช่นเห็นกําไรกระทบกันนี่ก็สังเวชแล้วนี่นะเด็กทราบข่าวว่าคนตายก็สังเวชแล้วนี่ยปฏิบัติบรรลุได้หมดเละเห็นเห็นเนี่ย เขาหักกิ่งไม้หักผลไม้เก็บผลไม้เนี่ยก็สังเวชปฏิบัติบรรลุแล้วนี่แะเห็นดอกบัวมันเหี่ยวเฉาเป็นต้นก็บรรลุได้แล้เ พ, พราะอะไรเพราะว่ายานของท่านเนี่ยถึงความแก่กล้าแล้วเ พ, พราะอะไรเพราะท่านเห็นโทษในพพเป็นต้นโดยไม่แปลกกันก็เมื่อเห็นโทษในพพเป็นต้นก็สามารถกาหนดปวัติและเหตุแห่งปวัตินี่นะกำหนดปวัติคืออะไร ก็กำหนดทุกขสัตว์นั่นเองประวัติเป็นชื่อของทุกขสัตว์ที่เป็นไปแล้วก็กําหนดเหตุแห่งประวัติการอันนั้นด้วยนนะเหตุแห่งประวัติก็คือสมุทัยนั่นเองทีนี้เนื่องจากไอ้อัธยาศัยแห่งการทวนกระแสนะก็คืออะไรนิวัติเนี่ยนะนิวัติก็คือนิโรศนะต้องการทวนกระแสแล้วตอนพระนิพนพานเนี่ย กระแสแห่งวัตตนนี่ไม่เป็นไปใช่ไหมเป็นที่สงบระ ง, งับดับกระแสแห่งวัตตะแล้วก็สามารถที่จะกําหนดเหตุแห่งนิวัติการด้วยสยามภูยานถามว่ายานในการกําหนดอริยศาสตร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่การกําหนดนามรูปเนี่ยชื่อว่ากําหนดทุกขสัตว์กำหนดปัจจัยแห่งรามรูปนั่นแหละชื่อว่ากําหนดสมุทัยศาสตร์พิจารณาเหตุเกิดความดับอะไการพิจารณาความดับอันนั้นน่ย นะเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เนี่ยพิจารณาความดับอันนั้นแหละพิจารณานิโรศสัจจะแล้วก็เมื่ออุทยพย า, ยานเกิดไปแล้ววิปัสณูปกิเลสเกิดนะการก็แยกว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางอันนั้นเป็นมักสัจเนี่ยนะคือแยกสัจจะตั้งแต่ระดับวิปัสนาตั้งแต่วิปัสนานเนี่ยเป็นการแยกแยกสัจจะทั้งนั้นเลยนะนามรูปประเฉทยานก็แยกแยกทุกสัจ ปัจยภาพเรฆยานก็แยกแยะสมุทัยสัตว์นันะสัมมาสัยานจนถึงอุทยภาพย า, ยานก็เพื่อจะให้มีความเข้าใจในนิโรธสัจจะที่มันตรงกันข้ามกับทุกเหล่านี้โดยการดับเหตุพอตั้งแต่ยานชั้นสูงอ่ะนะตั้งแต่พังคยานเป็นต้นก็คือเป็นการรู้มรรคสัจว่าอะไรเป็นหนทางแล้ทีนี้เมื่อแยกแยะได้อย่างนั้นก็เพิ่มพูนสัจจะกรรมาฐานอันนั้น ที่เราคุ้เคยว่าสัจจานุโลมิกยานหรือว่าอนุโพธยานเนี่ยเพิ่มพูอนอนั้นโดยที่มีสัจจะสี่เป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาโดยในเป็นต้นอยู่ว่านี้ทุกนี่นะพี่นี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกคณิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โร ธ, โรธคามินีปฏิปทาพิจารณาทษทวนสังขารตามสมควรแก่ความปรารถนาแห่งตนอภินิหารคือความปรารถนา ขวนควายวิปัสนาโดยลําดับบรรลุมรรคอันเลิศตามลําดับมรรคเนี่ยนะก็คือก่อนที่อรหัตตมรรคจะเกิดก็อนาคามีมรรคเกิดก่อนก่อนที่อนาคามีมรรคจะเกิดก็สกทาคามีมรรคเกิดก่อนที่สากท า, าคามีมรรคจะเกิดโสดาปติมรรคก็เกิดเนี่ยนะโสดาปติมรรคเกิดเพราะว่าอบรมสัจจกรรมฐานนั่นเองหลังจากที่อรหัตมรรคเกิดก็ย่อมตรัสรู้ เป็นพระปัเจกพุทธเจ้าหรือเรียกว่าปัจเจกสัมโพธิญาณจำเดิมแต่ขณะแห่งผลอันเลิศคืออรหัตผลไปก็ชื่อว่าเป็นพระปัจเจกสัมพุทธเป็นอัคระทักคินยะบุคคลของโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะาเป็นสุดยอดของ นาบุญของโลกนะในสมัยนั้นนะในสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคือยอดของนาบุญอัคระนาบุญไม่มีนาบุญอื่นจะสูงจะยิ่งไปกว่าท่านเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยของในสมัยของพระพุทธเจ้านะไม่เกิดร่วมสมัยแล้ว ม, มีพระปัจเจกโพธพระปัจเจกพุทธเจ้าสององค์พร้อมกันได้ไหมครับ มีได้เป็นห้าร้อยองค์อ่ะอย่างลูกของพระนางปฐมบดีก็ห้าร้อยที่เป็นพระประเจกนะนะก็มีพระประเจกอื่นๆอีกตั้งเยอะเนี่ยนะพระประเจกนั้นมีได้ไม่จํากัดแต่ว่าบรรลุแล้วสอนคนอื่นไม่ได้ดนะแต่เขาก็เคารพกันตามลําดับพรรษาคือตามลําดับบรรลุก่อนบรรลุหลังเป็นต้นเนี่ยนะในะ พระปเจกเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้ผู้อื่นบรรลุด้วยนะเพราะว่าพระปเจกพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านบรรลุท่านไปบินธบาติผู้ที่ทําบุญใส่บาตรกับท่านก็จะตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ทำใดก็ขอข้าพเจ้ามีส่วนในการรู้ธรรมนั้นด้วยอันผู้ที่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้เวลาให้ทานเนี่ยคนเหล่านั้นมีส่วนแห่งการบรรลุมรรคผลหมดเลยหลังจากนั้น นถ้าดูในอภิทานหรือเดี๋ยวธรรมะเราเรียนไปข้างหน้าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ทาบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองจึงได้มีส่วนมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะนี่มาดูพระสาวกของพระศาสดาเนี่ยนะว่าพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีเนี่ยนะแสดงธรรมท่านเหล่านั้นก็ฟังธรรมอ่ะนะ ฟังสัจจกรรมฐานทั้งสี่เนี่ยเป็นอารมณ์ดำรงตามเนี่ยนะคือฟังแล้วก็พิจารณาตามเจริญตามอย่างที่ว่าเมื่อกล่าวถึงทุกข์ก็มุ่งที่จะพิจารณาทุกข์โดยปริญญาเมื่อกล่าวถึงสมุทัยก็มุ่งที่จะปะหาหนะใช่ไหมเมื่อกล่าวถึงนิโรธก็มุ่งที่จะทําให้แจ้งเมื่อกล่าวถึงมรรคก็พยายามอ บ, บรมตามมันก็เลยเพียรพยายามปฏิบัติข้อปฏิบัติ อันเกิดแต่กรรมฐานนั้นควรควายวิปัสนาหรือเมื่อปฏิปท า, าเจริญขึ้นแทงตลอดสัจจะทั้งหลายเชื่อว่าย่อมบรรลุสาวกโพธิญาณในภูมิแห่งอัครสาวกเนี่ยนะที่สำเร็จตามสมควรแก่พินิหารของตนหรือในขณะแห่งมักอันเลิศอย่างเดียวคืออย่างพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านขั้งแรกที่ท่านบนรรลุฟังธรรมจากสาวก ค, คือฟังธรรมจาก พระสัชชิเนี่ยนะที่ท่านบนรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรนะนั้นท่านเนี่ยได้ฟังท่านจึงได้บรรลุเนี่ยนะผู้ที่ไม่ต้องฟังก็คือสองท่านสองท่านที่กล่าวไปคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าส่วนผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะพวกนั้นต้องอาศัยการฟังทั้งนั้นคือต้องฟังอริยสัจนะคือบรรลุกับบรรลุอริยสัจถ้าจะฟังก็ต้องฟังอริยสัจจึงจกบับบรรลุ ก็อาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังจากภาษาวก็ได้หรือศึกษาจากคำสอนที่มีอยู่ในคำพีต์างต่างที่เป็นคำสอนที่กล่าวถึงอรยิยสัจก็ได้ต่อแต่นั้นก็ย่อมชื่อว่าเป็นการตรัสรู้ของสาวกเป็นอัครทักษิณยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่นะพระปจเจกสมโพธิและสาวกสมโพธิเพิพ่งทราบโดยการตรัสรู้ ดังพานนามานี่เนี่ยนะก็ท่านเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าไปตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกทีนี้พูดถึงเวลาในการบําเพ็ญบารมีบ้างว่าแต่โดยความหมายแห่งสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นเองกําหนดอย่างต่ําต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารเนี่ยตลอดสี่อสงไขยกําไรแสนมาหากรั้ ก็อันนี้เรียกว่าตั้งความแบบปัญญาที่กะนะเวลาอย่างน้อยที่สุดนะอย่างกลางก็8อสงไขยแสนกัปอย่างอุกรฤษน้อยก็16อสงไขยแสนกัปนับตั้งแต่วันได้รับพุทธภยากรเพราะพวกที่เป็นปัญญาที่กะนี่ก็สอสงไขยแสนกัปอย่างกลางก็ต้องบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะอีก8อสงไขยแสนกัปแล้วก็อย่างสูงสุดก็16อสงไขยแสนกัป และข้อแตกต่างกันเหล่านี้พึงทราบด้วยสา ม, มาแห่งบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะและวิริยะทิกะอธิบายว่าผู้ที่เป็นปัญญาธิกะเนี่ยย่อมมีศรัทธาอ่อนแต่มีปัญญากล้าแข็งและต่อจากนั้นไปไม่นานบารมีก็จะถึงความบริบูรณ์เพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นภาวะผ่องใสและละเอียดอ่อนคือท่านเหล่านี้เนี่ยนะถ้า พูดถึงสุเมตบัณฑิตเนี่ยสมเอตบัณฑิตนั้นท่านเนี่ยถ้าจะบรรลุตอนนั้นนะท่านจะบรรลุประเภทอุคติตันยูอุคติตันยูที่มีปัญญานําหน้าเรียกว่าฟังหน่อยเดียวก็จะบรรลุเลยเป็นเรียกว่ากลุ่มอุคติตันยูโพธิสัตว์กันเถอะท้าชาตินั้นจะบรรลุเป็นอุคติตันยูฟังแค่ไม่กี่คํำก็บรรลุละเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยปัญญาของท่านมีกําลังมาก พันธท่านจึงบำเพ็ญบารมีแค่สีอสงไขยแสนกับเนี่ยนะเพราะว่าท่านทําทุกอย่างมีปัญญานําหน้าหมดเนี่ยนะความที่ท่านฉลาดนะ น, นะคือคนฉลาดนี่สามารถทําทําอะไรเสร็จโดยที่ใช้เวลาน้อยมากกันนะส่วนผู้ที่เป็นวิทยาธิกะเนี่ยย่อมมีปัญญาเนะเาะขอไปศรัทธาธิกะนะย่อมมีปัญญาปานกลางเพราะฉะนั้นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นศรัทธาธิกะเหล่านั้นนะ่ะจึงถึงความบริบูรณ์ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไป นะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ที่เราฟังฟังอ่ะนะโดยทั่วไปแล้วโดยมากเป็นศรัทธาธิกะเนี่ยนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ปัญญาธิกะมีไม่กี่องค์แล้วก็มีอีกหลายองค์เป็นวิริยาธิกะเนี่ยนะปัญญาธิกะเนี่ยยี่สบสี่พระองค์เนี่ยที่ผ่านมามีไม่กี่องค์จริงมีน้อยองค์มากโดยมากก็เนี่ยศรัทธาธิกะเนี่ยคือปานกลางเนี่ยสําหรับพระ วิริยาทิกะเนี่ยนะย่อมมีปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้วิริยาทิกะนั้นจึงต้องบำเพ็ญบริบูรณ์เนี่ยโดยการเนิ่นนานทีเดียวอย่างพระศรีอารเนี่ยสิบหอสองไขยแสนกัปสามเท่าตัวของพระพุทธเจ้าของเราน่ะเพราะท่านอาศัยความเพียรเป็นหลักเนี่ยนะการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้อรหัตมรคยานเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจนีเป็นบาต ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สอนสัพพะสัตมนั้นก็ใช้เวลาบำเพ็ญที่แตกต่างกันตามสติปัญญาสําหรับพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอธิบายว่าท่านเหล่านั้นแม้ถึงจะมีบารมีเป็นปัญญาทิกะก็ต้องปรารถนาการเพิ่มภูมโพธิสมภารเนี่ยตลอดสองอสงไข์กาไรแสนกับไม่ต่ําไปกว่านั้นไม่ต่ําไปกว่านั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาทิกะละว่า ง, งั้นเถอะฉลาดมาก ไม่ต่ำกว่าสองอสงไขยเศษแสนกับแม้ท่านผู้เป็นศรัทธาทิกะวิริยาทิกะล่วงเลยกับอื่นตะจากที่กำหนดแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมบรรลุปัจเจกโพธิญาณแต่ไม่ถึงอสงไขยที่สามเกือบสามอาสงไขยนะั่นจึงได้บรรลุพระปัจเจกะนะเนี่ยนะขนาดจะไปแต่ผู้เดียวนันเนี่ยไม่ใช่ไปง่ายนะคนเดียวเนี่ย ตั้งอกตั้งใจตั้งตนมาตั้งสามาเกือบสามมสงไขันนั้นจึงจะได้ไปแต่ผู้เดียวเนี่ยนะไม่ใช่ไปคนเดียวง่ายๆนะคุณวิญญูณนะ์สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวกเนี่ยนะสาวกกับพโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบําเพ็ญอภินิหารเพื่อความเป็นอัครสาวกต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารสิ้นเวลาหนึ่งอสงไขยกาไรแสนกับเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอนโนมาทศีเนี่ยก็หนึ่งอสงไขยแสนกับพอดี สำหรับพระมหาสาวกเนี่ยบำเพ็ญอภินิหารเพื่อความเป็นมหาสาวกก็ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารเนี่ยสิ้นเวลาแสนกับเท่านั้นคือแสนกับนี้นับตั้ง น, นับตั้งแต่ตอนตั้งความปรารถนาแล้วได้รับพุทธบุตรกรนนะนะพุทธบุตรก่ว่าอ้าวท่านจะเป็นอัครสาวกเออขออภัยเป็นมหาสาวกนะท่านจะเป็นเลิศทางไหนล่ะก็ว่าไปนะเลิศแบบพระพาหิยะก็แสนแสนมหากับ สติปัญญาเหมือนพระาอานอนท์ก็แสนกลับเนี่ยนะมีตาทิพย์เหมือนพระอนุรุทธะก็แสนกลับกันทั้งนั้นพระมหากระสปะนี่ก็แสนกลับถึงพระพุทธมารดาใครปรารถนาเป็นพุทธมารดาเป็นพระพุทธบิดาเป็นพุทธอุปถากหรือว่าเป็นพุทธชิโนรสคือนะเหมือนพระราหุนนี่ย น, นะก็ต้องแสนกลับเหมือนกันปัญอันนี้คือข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาเพื่อที่จะ ให้อรหัตตมะขยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสำเร็จเป็นสาวกนั้นๆเนี่ยนะ